เป็นสัลเลกะธรรมใช่ไหมอย่างที่พระองค์ตรัส บ, บอกพระจุนท้ว่าดูก่อนจุนท้าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิกสุควรทำคำขัดกกเกลาเกเรณในพุทธศาสนานี่แหล ว, ว่าคนอื่นจักคบมิตรชั่วแต่เราจักมีกัลยาณมิตรเนี่ยนะที่เราสวดกันเมื่อวานนี้ก็สวดเนี่ยนะคนอื่นเขาจะมีมิตรชั่วมีปาปามิตรยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เราเนี่ยนะเพราะั้นตัวเราเองเราต้องคบกัลยาณมิตรเนี่ยนะแล้วอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นปาปามิตร แต่ว่าพูดคำนี้ก็ได้แต่พูดอะนะเพราะว่ารคนทั้งหลายชื่อเอาอะไรเป็นเรียกว่ามิตรใช่ไหมไม่รู้ว่าใครไม่ขัดคอใครพูดถูกใจที่สุดนั่นแหละกัลยาณนะมิตรของฉันะ่นะไอ้ดีชั่วเป็นยังไงไม่สนใจเราสนใจว่าโ อ, อถูกใจดีแค่แค่นี้รู้สึกว่าอธิบายเหตุผลกันง่ายๆขนาดนี้โดยมากแล้วเนี่ยเราเราฟังข้อมูลมาเป็นแต่แบบนั้นสักส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่รู้ว่ากาลยานมิตรของเขาแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าไม่ขัดคอชวนกันทําอะไรก็ทํากันหมดเลยร่วมกันเห็นดีเห็นงามกันไปหมดชวนกันฟังธรรมก็ฟังเอาอีกคนหนึ่งชวนไปทําอย่างอื่นก็ไปคือพร้อมที่จะเรียกว่าแปลว่าร่วมเป็นร่วมตายร่วมสุขร่วมทุกเขาไม่เรียกว่ามิตรกาลยานมิตรหรอกเขาเรียกว่าเพื่อนเป็นสหายกันธรรมดาทั่วไปเป็นสหายแต่ไม่ใช่กาลยานมิตร เป็นสหายเรียกว่าเดินร่วมกันก็มีความสุขนั่งด้วยกันก็มีความสุขยืนเดินนั่งนอนพูดคุยร่วมกันก็มีความสุขเป็นสหายในอิริยาบถต่างๆแต่ไม่ใช่าาากายกกลยานามิตรพันแยกคําว่าสหายกับกาลยานามิตรออกจากกันให้ดีาาาาดเห็นว่าสหายไม่ใช่กาลยานมิตรกาลยานมิตรไม่ได้แปลว่าสหายแต่บางคนเป็นทั้งกาลยานามิตรด้วยเป็นทั้งสหายด้วยอัณิหายากคือกาลยานามิตรบางทีไม่ได้ทํากิจในความเป็นสหาย คือคำว่าสหายแปลว่าเดินด้วยกันก็สบายนั่งร่วมกันก็สบายนอนด้วยกันสนทนากันพูดคุยกันทำความคิดกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขนี่เรียกว่าสหายไม่ใช่กัลยาณมิตรส่วนกัลยาณมิตร บ, บางคนก็อาจจะใช้ร่วมกันนะยืนไปด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันแต่โดยมากกัลยาณมิตรไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเราเนี่ยนะไม่จะไม่ทากิจเหล่านั้นอย่างสมัยพุทธกาลเลยเนี่ย พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่คลุกคลีกับพระพิสุทั้งหลายเนี่ยนะแต่ก็มีพระอาน น, นที่ที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็มีอยู่ไม่กี่รูปนิดเดียวแต่ว่าโดยปกติวิสัยแล้วก็ท่านจะพระองค์จะไม่มาเดินกับพระพิสุทั้งหลายมายุ่มมาอยู่ร่วมมาอาศัยคลุกคลีอยู่กับพิสุทั้งหลายบอกไม่เพราะฉข้าหาว่าเป็นเพื่อนคบเพื่อนคุยกันให้เขาเรียกว่าสหายเนี่ยนะสหายกับกัลยาณมิตรคนละอย่างกันบางทีเราก็เอาคําว่าสหายไปปนกับคําว่า กัลยาณมิตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ดีว่าสหายไม่ใช่กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็ไม่ใช่สหายก็ต้องอันนี้ต้องต้องไม่เผลอเผลอเมื่อไหร่เผลอเมื่อไหรก่ก็ก็ก็อย่างว่าเนี่ยนะโลกนี้ก็ลองขับรถแล้วหลับในดูเถอะเผลอดูเนี่ยนะใช้ชีวิตในวัฏฏะเนี่ยนะเผลอตกนรกขึ้นสวรรค์มันก็แป๊บเดียวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่าสำวรสำรวมระวังโยนิโสมนสิการให้ดี แต่การสำรวมตรวจสำรวจตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าตรวจสอบแล้วดีอยู่แล้วเออดีต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมันไม่ดีก็ต้องแก้ไขล่ะว่า ง, งั้นเถอะเพั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะการศึกษาพระธรรมทั้งหลายก็ศึกษาเพื่อความเจริญไม่ได้ศึกษาเพื่อความตกต่ําเพื่อความน้อยเนื้อต่ําใจศึกษาเพื่อไม่สบายใจศึกษาเพื่อหนักอ ก, ห น, กหนักใจเป็นต้นไม่ใช่แต่เป็นการศึกษาสํารวจตรวจสอบสิ่งไหนที่เป็นความเสื่อมก็กําจัดออกไปสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความเจริญก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะก็เติมเต็มไปเรื่อยๆเนี่ยนะจนกว่าจะบริบูรณ์ นยตอื่นอีกเนี่ยนะหน้า395ย่อหน้าบอกว่ากาลยานามิตรเนี่ยเป็นวิมุตติปจินนธรรมก็คือทําเป็นเครื่องบ่มวิมุติเป็นเครื่องบ่มวิมุติหมายคาอว่าการครบกาลยานามิตรเนี่ยผู้ที่ยังไม่บรรลุใกล้ต่อการบรรลุอย่างที่พระองค์ตรัสกับพระเมขียะว่ากาลยานามิตรเนี่ยนะคุณเครื่องคือการเข้าไปอาศัยกาลยานามิตรเป็นเหตุทําให้เจโตวิมุตที่ยังไม่สุข สุขงอมขึ้นหมายคือว่าผู้ที่ยังไม่ได้ไม่พร้อมที่จะบรรลุมรรคผลก็ทำให้พร้อมที่จะบรรลุมรรคผลเพราะบ่มให้ใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลก็คือการมีกาลยาณมิตรเพราะ เ, าเขาบอกว่าจริงๆแล้วทำเป็นเครื่องทำให้ให้เจโตวิมุตต์เนี่ยหมายคือว่าเหตุให้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะมีอยู่ห้าอย่างหนึ่งมีกาลยานามิตรสองฟังคาถาวัตถุสาม เนี่ยนะเป็นผู้มีศีลสี่ปราลบความเพียรห้ามีปัญญาเนี่ยนะเขาบอกว่าผู้ที่มีกัลยาณมิตรพึงหวังได้เลยว่าตัวเองจะได้ฟังคะถาวัตถุมีกัลยาณมิตรสักอย่างเดียวได้ฟังคะถาวัตถุมีกัลยาณมิตรอย่างเดียวเป็นเหตุให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลเป็นเหตุให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ปรารบความเพียรเป็นเหตุให้เราเนี่ยเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรเจึงเป็นเครื่องทาบ่มวิมุต ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเมขยะพระจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เตือนว่ากาลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะนะพอพระพระเมขยะลองไปปฏิบัติการเองเลยเป็นยังไงอากุศลวิตตกเนี่ยนะยุบยับในใจยิ่งกว่าในพิ่งในรังว่างั้นนะพิ่งในรังมันยุบยับไปหมดเลยนะพอลีกไปทําเอาคนเดียวก็เลยอากุศ ล, ลวิตกก็ยุบยับไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะงั้นก็ต้องระวังว่ากาลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ นั้นการศึกษาการปฏิบัติของเราทั้งหลายเนี่ยก็พยายามว่าคําสอนว่าอย่างไรคําสอนแนะนําตักเตือนอย่างไรเราทั้งหลายจักใส่ใจประพฤติปฏิบัติตามคําสอนอันนั้นแหละเป็นเครื่องบ่มมีมดุดเพราะฉะนั้นใครที่ปรารถนาแหมอยากบรรลุมรรคผลเหลือเกินใช้คําว่าบ่มเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรเหมือเปรียบเหมือนไข่ไก่ที่จะให้ทําให้มันฟักเนี่ยนะไก่ไก่ที่มีมีตัวเนี่ยพร้อมที่จะฟักเนี่ยจะต้องมีการบ่ม ทำที่จะบ่มทําให้ไก่ฟักก็คืออะไรอาศัยไอยอุ่นเป็นต้นของแม่ไก่เนี่ยนะฉันใดก็ดีผู้ที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยเครื่องบ่มศรัทธาก็คือกัลยาณมิตรเครื่องบ่มวิริยะก็คือกัลยาณมิตรเครื่องบ่มสติก็กัลยาณมิตรเครื่องบ่มสมาธิเครื่องบ่มปัญญาก็กัลยาณมิตรเนี่ยนะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เราก็มาแยกดูว่ากัลคนที่เราครบด้วยเนี่ยนะหนึ่งอกุศลที่เคยเกิดถูกละออกไปไหม นนะอากุศลที่ยังไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำเลยสองกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญงอกงามยิ่งขึ้นใช่ไหมคุณธรรมเพิ่มพูนบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วชื่อว่าเราเป็นผู้มีกัลยาณนะมิตรก็ตรวจสอบว่าพบบุคคลใดแล้วกุศลเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่แหละนั่นแหละเรียกว่ากัลยาณนะมิตรแต่ไม่ได้แปลว่าถูกใจเนี่ยนะชอบใจอันนั้นไมน่ไม่แน่ว่าจะเป็น กาลยานามิตรจริงหรือไม่อันนี้ต้องมันสํารวจตรวจตราให้ดีๆเนี่ยนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตของเราเราก็ซูนโยปนาหยังหมดไปแต่ละวันแต่ละวันใช่ไหมอา้าวบางคนก็อา้าวเป็นเพื่อนกันบอกว่าเป็นมิตรกันเป็นกระชวนกันไปหมดอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นรายละเอียดอาทิตย์จันนังคานพูดประหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หมดเลยอาทิตย์แต่ละอาทิตย์หมดไปหมดไปแต่ละเดือนแต่ละปีหมดหม ด, หมดอีกชาตินึ่งแล้วเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราพบพระพุทธศาสนาเนี่ยนับว่าน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะอย่าให้คนอื่นถึงกับชวนเราห่างพระัตนะตรายไปเรื่อยถ้าอย่างงี้ก็น่าน่าสงสารเนี่ยเอาไปเอามาก็กลายเป็นว่าเรานี่ห่างพระรัตนะตรายเนี่ยถ้าเราห่างพระรัตนะตรายเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะเจริญกรุณาไว้ให้ตัวเองเยอะๆเถอะเนี่ยนะเพราะว่าโอกาสของเราแล้วมันมันถ้าว่าจริงๆแล้วไม่มากเลยเนี่ยนะเพราะสถิติอุบัติเหตุปีหนึ่งทั่วโลกก็ไม่ใช่ตายกันน้อยๆเนี่ยนะ ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นแล้วใครจะรู้ว่าเราเนี่ยอายุยืนยาวมีโอกาสลองผิดลองถูกไปอีกนานเราจะรู้ไหมเรามีต้นทุนพอที่จะไปใช้ใจ่ายลองผิดลองถูกหลายเรื่องได้ไหมอันนี้เราต้องมีโอกาสที่จะฝ่ายใจที่จะมานัศการว่าอะไรเป็นสาระและก็ไม่ใช่สาระเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่านี่นะเขามาก็เจริญกรรมสกตาเป็นอยู่แล้วไม่ค่อยหนักใจหรอกเจริญเมื่อไงเมื่อวานก็บอกกับเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเน่ยนะ มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครจะทํากรรมอะไรไว้ใครจะคบใครคนนั้นก็รับผิดชอบตัวเขาเองก็แล้วกันนะ่ยนะบอกนะบอกโอ้ยอย่างนี้ท่านกระจดําำสิเอาข่ามาก็รักษาใจตัวเองไว้ก่อนมั้งน่ยนะนะต่อไปนะในเขาบอกว่ากาลยานามิตรเนี่ยพระพุทธเจ้าอสอนเป็นอภินหะปัจเจกแก่พระราหุลเลยนะอภินหะปัจเจกแปลว่า โอวาทที่พระพุทธเจ้าพูดบ่อยมากกับพระราหุลถ้าจะเรียกะจะพูดแบบภาษาไทยเนี่ยพูดบ่อยๆเรียก อ, อะไรเรียกก็ บ, บ่นใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่บน่นแต่เป็นคําเตือนที่หวังดีปรารถนาดีอย่างแท้จริงพระองค์บอกพระราหุลเป็นปกติเลยไม่ว่าจะแทบพูดทุกวันหรือเปล่าไม่ทราบอน ะ, ะกล่าวว่าอภินหะปัจเบกสอนให้โอวาทพิจารณาเนืองๆให้พระราหุลคิดบ่อยๆเลยว่าอ่ะนะ ทำเป็นเครื่องเข้าไปอาศัยกาลยานมิตรทั้งหมดก่อนอันดับแรกที่ที่พระพุทธเจ้าให้โอววาดแก่พระราหุลให้บ่อยมากบอกเลยว่าราหุลเธอจงคบกาลยานมิตรแปลว่าเธอจงคบภาษารีบุตรตรงนั้นเนี่ยหมายถึงภาษาลิบุตรเพราะว่าพระราหุลเนี่ยเป็นลูกศิษรย์ภาษาลิบรอยู่แล้วนะเธอจงคบกาลยานมิตรเธอจงนั่งอยู่เธอจงนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสงัดปเป็นวิเวกเนี่ยนะปราศจากเสียงกรรยึกกล้อง เธอจงรู้จักประมาณในโพชนะเธออย่าได้ทำความอยากในปัจจัยคือจีวรบินทบาท น, นะีลานะแล้วก็ปัจจัยคือที่นอนที่นั่งและเธออย่าได้กลับมาสู่โลกนี้อีกเลยอย่าได้กลับมาเกิดในโลกนี้อีกเลยอย่างนั้นนะก็พันอันดับแรกในการให้อวาส ที่เป็นโอวาทที่บ่อยมากสำหรับพระพุทธเจ้าต่อพระราหุลเลยก็คือจงคบกัละยาณมิตรจงคบกัละยาณมิตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่เราครบด้วยเนี่ยมาชีวิตทั้งชีวิตของเรานี่หมดไปตรงนั้นนะเพราะว่าทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะสุขติทุคติของเราก็ยืนเนื่องด้วยคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนยนะเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่ากัละยาณมิตรเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากอย่างที่กล่าวไปแล้ว ห้าอย่างเลยใช่ไหมข้อแรกนัยยะที่หนึ่งกาลยานามิตรเนี่ยมีความสําคัญว่าทั้งหมดของพรหมจรรย์อย่างที่สองกาลยานามิตรคือองค์ภายนอกที่สําคัญที่สุดอย่างที่สากาลยานามิตรเป็นสเลกธรรมอย่างที่สี่กาลยานามิตรเป็นธรรมเครื่องบ่มมิมุติบ่มบรรลุมรุ่ผลอย่างที่ห้าพระองค์ให้โอวาทบ่อยๆแก่พระราหุนเกี่ยวกับเรื่องกาลยานามิตรเนี่ยนะ ในพระวินยัยเนี่ยบังคับไว้เลยนะต้องอยู่กับครูอาจารย์เนี่ยหปีเนี่ยนะก็คือแต่ว่าต้องเลือกครูอาจารย์ให้มันนี้ก่อนนะนะแล้วก็เป็นเป็นวินัยขำเลยบอกว่าถ้าไม่ไม่อยู่กับครูอาจารย์หปีเนี่ยเป็นอบัตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องกาลยานามิตรนั้นนับว่าสําคัญมากเพราะพระพุทธเจ้าจึงแสดงการการที่พระพิสุเนี่ยอาศัยกาลยานามิตรกาลยานามิตรพิเศษนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นมหากาลยานามิตรเนี่ยนะ ที่นี้การที่คบพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่คบพระพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เกิดในชาติชั้นวรณะใหญ่เช่นวันะกษัตริย์ตระกูลกษัตริย์พระองค์มีมหาปริศลักษณะพระองค์เป็นคนมีรูปงามไม่ใด้คบพระองค์เราเออเนี่ยคนนี้แหละคบพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปจะไม่เดือดร้อนเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่ที่อาศัยไม่ใช่พระพิสุขคบพระพุทธเจ้าเพราะเหตุเหล่านั้นแต่เป็นคบพระพุทธเจ้าเพราะมีความปรารถนาว่า พระท่านผู้นี้คือพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละพอที่จะเป็นศาสดาแก่เราคือพระองค์เนี่ยพอที่จะโอวาทแนะนําสั่งสอนช่วยให้เราข้ามพ้นจากอบายทุคติวินิบาตานรกพระศาสดาพระองค์นี้แหละที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งนั่นแหละกระว่าเข้าไปคบพระพุทธเจ้าหวังหวังประโยชน์แต่ว่าเน้นพิเศษสูงสุดคือประโยชน์อย่างยิ่งหมายถึงพระนิพพานเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพระสูตรนี้เป็นการเปล่งเสีหานาทของพระพุทธเจ้าเป็นการบรรลืออย่างไม่เกรงใจอะไรทั้งนั้นนะมางั้นเะเป็นการเสียงนาทแปล ว, ว่าคำรามเนี่ยนะเป็นเสียงคำรามของพระพุทธเจ้า mm. เนื้อหาในข้อ537เรื่องการสอบสวนพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้จะสอบสวนเนี่ยนะถ้าพื้นฐานจริงแล้วไม่รู้กระบวนวาราจิตของผู้อื่น ที่จะสอบสวนพระพุทธเจ้าก็พึงสอบสวนในสิ่งที่จะสอบสวนสองอย่างคือในสิ่งที่พึงรู้แจ้งด้วยตาและก็สิ่งที่จะฟังด้วยหูว่าสิ่งที่เศ้าหมองเนี่ยนะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยตาและด้วยหูสิ่งนั้นของพระตถาคตมีหรือไม่อันนี้คำถามว่าสิ่งที่เศร้าหมองที่รู้ได้ด้วยตาหมายถึงอะไรพฤติกรรมทางกายทั้งหมดของพระองค์สิ่งที่จะฟังได้ด้วยหูเนี่ยนะคืออะไร กรรมทางวาจาที่พระองค์เนี่ยได้แสดงออกมาเบื้องต้นเลยเนี่ยนะกายกรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะประกอบด้วยสิ่งที่เศร้ามองหรือไม่พระองค์ไปทำความไม่ดีที่เป็นความเศร้าหมองทางกายหรือไม่สิ่งที่ไม่ดีที่พระองค์ไปสร้างความเศร้าหมองทางวาจาเนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่คือคือพระพุทธเจ้ามีทำชั่วอะไรที่ไหนบ้างไหม พระองค์ไปพูดชั่วทำพูดที่ไม่ดีที่ใดที่หนึ่งมีบ้างไหมก็บอกว่าเมื่อภิกษุษสอบสวนพระธถาคตเจ้านั้นก็จะรู้อย่างนี้ว่าสิ่งใดที่เป็นความเศร้าหมองสังกิริษสังกิริษฐาหรือสังกิเลสเนี่ยนะความเศร้ามองด้วยกายด้วยวาจาที่จะพึงรู้ได้ด้วยตาด้วยหูสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่พระตถาคตสิ่งเหล่านั้นไม่มีในพระพุทธเจ้าเลยทําไม ปกติเนี่ยถ้าเราไปหาของเนี่ยนะสมมติถ้าของมันอยู่ในห้องเนี่ยถ้าของมันมีอยู่จริงอะนะเวลาเราค้นไปเปิดไปเปิดมาหาก็เจอใช่ไหมถ้ามันไม่มีล่ะก็หาไม่เจอเหมือนกขาว่าเราขุดจอมปลวกเพื่อหาสัตว์ที่อยู่ในจอมปลวกถ้าในจอมปลวกมีสัตว์จริงเราขุดไปก็เจอแต่ถ้าไม่มีขุดยังไงมันก็ไม่เจอฉันใดถ้าอย่างถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความชั่วด้วยกายด้วยวาจาถ้าเส่อค้นหาถ้าพระองค์มีชั่วอยู่ในตัวจริง คนก็พบเช่นความชั่วทางกายค้นด้วยตาก็พบหมายความว่าติดตามค้นให้พบเนี่ยนะถ้าพระ อ, องค์มีความชั่วทางใจติดตามค้นห า, อาขออภัยถ้ามีความชั่วทางวาจาตามฟังไปบ่อยๆก็จะพบแล้วว่าผู้นี้พูดไม่ดีเพราะดูจากคําพูดแล้วมาใช้ไม่ได้อย่างนี้พูดอย่างนี้ใช้ไม่ได้พฤติกรรมแบบนี้ใช้ไม่ได้มันเศร้าหมองวัจีกรรมแบบนี้ใช้ไม่ได้มันเศร้าหมองแต่นี้ของพระพุทธเจ้าเมื่อสํารวจตรวจสอบดูแล้ว ไม่มีไม่มีเลยความเศร้าหมองเหล่านั้นสังกิเลสเหล่านั้นไม่มีอยู่ในพระองค์